ยมีค่ะวีวววววอยางมีมนตรงตาอธิบายศีลสมาธิปัญญาที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะคะตามลำดับมาค่ะว่าศีลจะทำให้เกิดสมาธิ แล้วก็ปัญญายังไงมันเข้าถึงใจสีนึงของผู้ปฏิบัติเนี่ยก็คือมันเข้าถึงใจใจที่ไม่ไปคิดไม่ไปพูดไม่กระทําอะไรที่เบียดเบียนตนเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนม่นปเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ใช่ว่าเบียดเบียนเฉพาะผู้อื่นนะไม่เอามาเบียดเบียนตนเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนการคิดการพูดการกระทาอะไรที่จะทำให้ตัวเองอ่ะต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนใจมันสงบอยู่ดีๆเอามาทำให้จิตใจไม่สงบเป็นทุกข์เดือดร้อนเอาไปพูดกันซะเอาไปว่ากันเอาไปทะเลาะกันซะให้ ไห้เป็นทุกข์เดือดร้อนคือความสงบใจมันมีวันอยู่ดีๆแล้วก็ไปหาเรื่องคิดเรื่องพูดเรื่อก็ทําที่ทำให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอันนี้ถ้าเราเนี่ยไม่ไปหาเรื่องทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแก่ใจไม่ไปหาเรื่องที่ทําให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนอันนั้นเรียกว่าศีลคือไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเรียกว่าศีลสมาธิก็คือเมื่อปีศีลแล้วเนี่ยไม่คิดจะเบียดเบียนตนเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทางการคิดการพูดการกระทำแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่น ใจมันก็เลยไม่เล่าร้อนไม่มีความทุกข์เราร้อนในเรื่องใดมันก็เลยเป็นสมาธิศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลนี่ไงก็บอะว่ า, วาเมื่อบรรจมันไม่ไปทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอะไรเพราะมีมีศีลเป็นเหตุคือไม่คิดแม้จะจะคิด พูดกระทำสิ่งไรให้ตนเองเป็นทุกข์เดือดร้อนไปคิดไปพูดไปกระทำเบียดเบียนตนเองู้นอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเดี๋ยวเขาก็ย้อนสอนกลับมาว่าเราทะเลาะ ก, กันพอทะเลาะ ก, กันปุ๊บจิตใจไม่สงบไปหาเรื่องพูดเข้าออกไม่เรื่องไม่คนพูดก็พูดเขา้าพอไปพูดเขา้าอย่างเช่นสามีภรรยาพอไปพูดเขา้าปุ๊บอยากจะพูด มันเจ็บใจนักมันจะจัพูดจะจัพูดแล้ก็รู้อยู่แล้วว่าพูดไปต้องทะเลาะกันแต่ขอให้ได้พูดพูดไปก็ทะเลาะกันอยู่ดีแล mm ้วปฏิบัติทําไม่ได้จะนนี้เพราะว่าใจมันไม่สงบนัเนี่ยเพราะว่าไม่มีสีนเพราะไม่มีศีใจก็ไม่สงบเลยไม่มีสมาธิใจไม่มีสมาธิเลยไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าเออในความสงบมีความเคลื่อนไหวในความเคลื่อนไหวมีใจที่สงบมันไม่มีปัญญาที่จะรู้เห็นเรืองนี้ได้แต่พอใจมันสงบซะแล้วเนี่ยมันก็เลยรู้ว่าใจที่สงบสยบความเคลื่อนไหวคือ มีความเคลื่อนไหวใดๆไม่อาจทําอะไรใจได้นั่นไหนเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาที่จะปล่อยวางทุกอย่างลงไม่เข้าไปยึดมั่นหือมั่นอะไรเพราะใจมันเห็นความสุขความสงบที่เกิดจากใจที่สงบมันจึงไม่คิดจะไปยึดอะไรมาทําให้ใจมันทุกเดือดร้อนมันจึงปล่อยวางสิ่งที่ยึดไปเสียทั้งหมด พิจนารณาแล้วยึดสิ่งใดเนี่ยจะทำให้ใจเนี่ยมันเป็นทุกข์เดือดร้อนใจทั้งหมดมีความเป็นอยู่แม้แต่มีชีวิตเป็นครอบครัวก็สามารถบรนิพพานได้ถ้าไม่เสพกามในสิ่งข้อสามสิ่ข้อห้าใบสุดสามารถบรรลุนิพพานได้คือสิ่ข้อห้าเข้าถึงใจสมาธิก็เข้าถึงใจ ปัญญาก็คือถึงใจไม่คิดจะไปยึดอะไรใจมันเปความสงบลมเย็นอยู่ดีๆมีปัญญาที่จะเห็นว่ายึดอะไรมันก็ทุกข์ทั้งนั้นไม่ยึดไม่ทุกข์แม้อยู่ด้วยกันทําหน้าที่ที่ดีต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันแต่ไม่ยึดให้เป็นทุกข์นี่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญายึดอะไรก็วางเสียพอเห็นว่ายึดทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างมาทําร้ายจิตใจตนเองทุกอย่างไม่ยึดอะไรเลยใจก็วางเปล่านั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผล สมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุดิพาเป็นผล